พนพระอาหารหันต์เนี่ยมะคำคำว่าพระอาหารหันต์เนี่ยแปลว่าบุคคลบุคคลเนี่ยเป็นปุคลากรฐาที่พูดเอาไว้สื่อกันเท่านั้นเอ ง, องนะแต่แต่ตัวสภาวะก็คืออะไรศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาที่ได้รับการอบรมจนบริบูรณ์แล้วนี่นั้นถ้าสงเคราะห์โดยขันอาหารหันต์ก็คือสังขารขันสังขารขัน ศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเป็นสังขารขันเป็นขันที่ได้รับการปรุงแต่งปรุง أ, อบรมหรือปรุงแต่งเป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดาสิ่งที่ปรุงแต่งแลวปรุงยากแต่ปรุงแล้วดีที่สุดคืออะไรคืออริยมรรคอริยมรรคเนี่ยปรุงยากแต่ปรุงสำเร็จแล้วดีที่สุดเป็นยาอมตะเรียกว่าเป็นยาที่สํารอ ก, กิเลสได้อย่างแท้จริงนี่นะ เขาบอกว่ายาอย่างอื่นในโลกเนี่ยไม่แน่หรอกว่าจะรักษาหายจริงหรือไม่แต่ถ้ายาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดที่ปรุงสําเร็จแล้วเนี่ยเป็นยาที่สมบูรณ์จริงๆมรรคแนี้ก็คืออะไรสังขาระคันทั้งหมดนะมรรคแก็คือสังขาระคันนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสังขาระคันมันสังขาระคันที่ผู้ใดปรุงจนสําเร็จแล้วก็ออกจากวัตฏทุก์ได้ สังขารเหล่านั้นท่าสงเคราะห์โดยท่าเป็นธรรมธาตุท่าทั้งหลายมีอะไรบ้างจักขู่ท่ารูปธาตุจักขู่วิญญาณธาตุโสตธาตุสัตธาตุโสตวิญญาณธาตุคานาธาตุคันธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสศธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธพาธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุอรหัตผลคืออะไรคือธรรมธาตุ เพราะสภาวะแห่งอรหัตผลก็คือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาที่บริบูรณ์มันนับเนื่องในธรรมธาตุนั้นความเป็นผ้าอรหันต์ไม่ใช่ตารูปจกักขรวิญญาณไม่ใช่หูเสียงและโสตวิญญาณผ้าอรหันต์ไม่ใช่จมูกกลิ่นและขานะวิญญาณอรหันต์ไม่ใช่ลิ้นรสแล้วก็ชิวหาวิญญาณไม่ใช่กายโพธิภะและกายยวิญญาณไม่ใช่มโนโด้วยไม่ใช่มโนธาตุแต่เป็นธรรมธาต ธรรมธาตุที่เกิดร่วมกับมโนโวิญญาณธาตุที่พิเศษเหนนะที่พิเศษที่ผ่านการอบรมเจริญจนสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยนะก็เลยวิมุตในที่นี้จึงเป็นชื่อของธรรมธาตุเป็นระดับธรรมธาตุถ้าโดยอายตนะล่ะธรรมธาตุอันใดธรรมธาตุอันนั้นแหละเป็นธรรมายตนะนะท่าน ความหลุดพ้นไม่ใช่จักขวายตนะความหลุดพ้นไม่ใช่ตาไม่ใช่สีไม่ใช่หูไม่ใช่เสียงไม่ใช่จมูกไม่ใช่กลนไม่ใช่เลนไม่ใช่รสไม่ใช่กายไม่ใช่โพธพะแลวก็ไม่ใช่ใจที่เป็นพวังเป็นต้นแต่เป็นธรรมธาตุเนี่ยนะใจใดที่เกิดร่วมกับธรรมธาตุเหล่านี้ใจนั้นก็เรียกว่าใจที่หลุดพ้นเป็นจิตที่หลุดพ้นอายตนะใดไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ อายตนะนั้นไม่เป็นเหตุแห่งพ น, นะการสงเคราะห์อย่างนี้แหละเรียกว่าสงเคราะห์ด้วยอายตนะอายตนะคือธรรมธาตุอายตนะคือธรรมายตนะศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของกามาสวะไม่เป็นอารมณ์ของพวาสวะไม่เป็นอารมณ์ของทิฏฐสวะไม่เป็นอารมณ์ของ อวิชชาสวะไมายคืว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สะท้อนให้เกิดอาสวะอีกต่อไปแล้วก็ธรรมะเหล่านี้เป็นตัวที่ดับอาสวะดับกามาสวะดับภวาสวะทิฏฐสวะและอวิชชาสวะคุณธรรมที่ดับอาสวะเหล่านี้เนี่ยและคุณธรรมอันนี้ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นเหตุที่ทําให้ปฏิสนธิในพบใหม่อีกต่อไปเนี่ยนะเป็นอายตนะที่เพื่อดับดับ อะไรนะอายตนะที่เป็นโลกุตระเพื่อดับอายตนะที่เป็นโลกียะเนี่ยนะนะการสงเคราะห์ อ, อย่างนี้เรียกว่าอายตโนตร ะ, นะนะอายตโนตระการสงเคราะห์ลงการอย่างลงสู่อายตะนะเนี่ยนะการอย่างลงสู่อายตนะปกติะนะบางคนที่เพิ่งฟังทำใหม่ๆบอกไอ้คันก็5ก็ยากอยู่แล้วนะอายตนะ12ก็ยุ่งอยู่แล้วว่า ง, งั้นถ้า18ก็ยิ่งเยอะใหญ่เลย ปฏิจจสมุปบาทก็งงๆอยู่แล้วบอกโอยฟังเรื่องอื่นแล้วมาหยั่งลงขันาธาตุอายตนะโอ้ยยิ่งงงไปใหญ่เลยเขามาเขถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าเป็นโดยอัธยาศัยเราเองบอกโอ้ดีใจมากที่ได้ยินสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อนนนเป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ได้ฟังในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ยินมาก่อนอีกไม่นานสิบปีผ่านไปจะต้องรู้ให้ได้แต่ก็จริงนะปีที่สิบแล้วจึงพอจึงรู้เรื่องแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังได้ อ่านเพยัญชนะเหล่านี้อ่านเมื่อสิบปีที่แล้วอ่านเมื่อสิบปีที่แล้วก็นั่งอ่านนั่งมืดนั่งงงอ่านไปวันๆแค่ น, น, นั้นอ่านเอาบุญนั้นหมายว่าเราจับหนังสือขึ้นหนึ่งครั้งเราได้บุญแล้วได้บุญเพราะจับได้อ่านได้โอ้โหได้เห็นเนี่ยสะกดถูกได้ก็โอ้เป็นบุญของเราแล้วมันต้องไปรู้เรื่องอะไรได้แล้วเอาไว้ก่อนอีก10ปีสิอย่างเงี้ยนะ ก็สิบปีก็ยังไม่สายทั้นวันนี้ก็คือสิปีของเมื่อเมื่อสิปีที่แล้วท่านก็เลยไม่เห็นรู้สึกหนักใจอะไรเพรานถ้าเกิดอ่านเจอใหม่ๆเราก็คิดไว้อีกสิปีแต่หลายคนไม่กล้าคิดแบบเราเนะาะสิบปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าไปละลาบละล้วงคนอายุมากเลยเย่างนั้น <c oughs> น้องยิมเล็กเนาะอีกสิปียิมเล็กก็เจดิบพอดีนะผู้การเล่าให้ฟังว่าแหมปีที่เจ็ดสิบนี้มัน มันสุดไปเยอะเหมือนกันเขาอกงั้นไอตอนอายุหกสิบนี่มันก็มันก็เรียวแรงก็ลดไปเยอะเนี่ยนะ็ดสิบนี่แหมท่าน่าพูดกับคนอายุเจิต้องเสียงดังหน่อยขอก็แสดงว่าถ้าปีที่แปดสิบขึ้นไปแล้วนะป้าเพนสีถ้าแปลปีที่แปดสิบไปแล้วจะทำไงนะเอา้าจะรีบไปไหนอะ <c oughs> สรุปนะว่าธรรมะเหล่านั้นนะว่าพระอารหันเนี่ยคุณธรรมคืออรหันที่กาจัด ราคาเนี่ยนะกำจัดราคะในธาตุสามการมาธาตุรูปธาตุและอรูณประธาต์เห็นไหมก็คืออินทรีห้าที่สมบูรณ์คือศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาคุณธรรมตั้ง5ประการนั้นนะนะเป็นตัววิชาที่กําจัดอาวิชาเป็นต้นเป็นตัวที่กําจัดวัตตะนะเป็นเรียกว่าเป็นโลกุตระปฏิจจสมุบาตเป็น เป็นขันอะไรบ้างสีลขันสมาธิขันและเป็นปัญญาขันเป็นสังขารขันในอุปาในขันหเป็นธรรมธาตุในบรรดาธาตุเป็นธรรมายตนะในบรรดาอายตนะ12แต่เป็นข่าเป็นอายตนะที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วก็เป็นไม่เป็นเหตุแห่งพบใหม่ต่อไปคือไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เกิดปฏิสนธิในพบใหม่ คำว่าอยังหามัสมีติอนานุปัสสีไม่เห็นอัตภาพนี้ว่าเป็นของเราอนานุปัสีคือไม่ตามเห็นไม่ได้ตามเห็นว่าอุปาทานขันห้านี้เป็นเราเลยอันนี้เป็นการทําลายสกกายทิฏฐิอย่างไม่มีเหลือท่านเห็นรูปโดยความเป็นเราหรือท่านเห็นเวทนาโดยความเป็นเราหรือเห็นสัญญาโดยความเป็นเราหรือสังขารวิญญาณโดยความเป็นเราหรือ เราคือตาใช่ัหมเราคือหูใช่หมเราคือจมูกเราคือลิ้นเราคือผมเราคือเล็บเราคือฟันคือหนังคือเนื้อคือเอ็นคือกระดูกคือเยื่อในกระดูกคือตับคือไตหรือคือสมองบางคนบอกโอ้สมองดีเหมือนกันอ้าวหรือเราคือสมองสมองคือเราไม่ใช่เราคือใจหรือจักคู่วิญญาณใช่ไ้มเป็นเราโสตคานาชิวหากายะวิญญาณใช่ัหมเป็นเราหรือความคิดขนาดนี้เป็นเรา ตัวความคิดตัวนี้ใช่ไหมคือเราถ้าพระอารยบุคคลทั้งหลายท่านไม่เห็นว่าเป็นเราเอาแล้วท่านเห็นเป็นอะไรก็เห็นเป็นก็เป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุนั่นแหละและสิ่งเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นคือคิดง่ายๆว่าทําไมท่านไม่น้อมไปคิดว่าเป็นเรารู้ไหมท่านทําไมท่านไม่บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นเป็นเราหรือเป็นของเราเนี่ยนะหรือเป็นอัตตาของเรา ท่านรู้ว่าถ้าตามเห็นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นอัตตาของเราเนี่ยอะไรจะตามมาถ้าเห็นตาว่าเป็นของเราเดี๋ยวก็หลั่งน้ําตาเป็นเป็นอะไรถ้าเห็นตาว่าเป็นของเราเนี่ยนะจะต้องหลั่งน้ําตาอีกเท่าไหร่นะถ้าตามเห็นตาว่าเป็นของเราเท่าไหร่นะก็เตรียมซับน้ําตาไว้เถอะนีนะขุดทะเลนั่นแหละเพื่อที่จะเก็บน้ําตานี่ยนะถ้าเห็นหูว่าเป็นของเราเนี่ยนะจะต้องทําไงดีหูแค่ไหนดี ก็ไม่ได้น้อยกับหูฉลามเท่าไหร่นะถูกเอาไปต้ม อ, อีกนาะหน่ น, นะถ้าเห็นจมูกว่าเป็นของเราอะ่ะตอนนั้นจะได้ยาวเท่า ง, งวงช้างะนะจะแค่ไหนดีถ้าเห็นตามลิ้นว่าเป็นของเราล่ะถ้าตามเห็นกายว่าเป็นของเราจะต้องถมกระดูกอีกถมป่าช้าอีกเท่าไร่ถ้าเห็นใจว่าเป็นของเราแล้วใจมันจะนาปฏิสนธิณที่ไหนอีกต่อไป ท่านรู้ว่าการตามเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราก็คือเท่ากับผสมยาพิษลงไปในสิ่งเหล่านี้เมื่อผสมยาพิษทั้งหลายแล้วพิษทั้งหลายในวัตตะก็กำเริบเพราะฉะนั้นวัตตะนี่ยาวพันท่านไม่ต้องการยืดวัตตะโดยประการทั้งปวงก็เลยไม่ได้ตามเห็นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราและก็เป็นอัตตาของเราและท่านตามเห็นเป็นอะไรก็เห็นเป็น ขันธ์ธาตอายตนะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเมื่อท่านเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นท่านก็เลยไม่ได้สําคัญว่าเป็นเราเป็นของเราท่านก็บอกว่าเป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นรู้นแต่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที <logical S 2> <ม>่ยงสิ่งน <ท passer S 1> ั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นกล่าวไม่ได้ว่าเป็นตนเป็นของของตนแล้วก็เป็น เป็นอัตราของตนเพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนี้วันยังค่ำนั่นแหละจะเข้าใจผิดจะเข้าใจถูกจะสำคัญผิดจะสำคัญถูกสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองการทำลายส ก, กายทิถินั้นเป็นเสขะวิมุตตตัวที่ทำลายส ก, กายธิถินี่คืออะไรก็คืออินทรีห้าของพระโสดาบันอินทรีห้าของพระโสดาบันเนี่ยนะเป็นตัวที่กาจัด ส ก, กายติฐิถวถิฐกกาาิวิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถรถิถรถิถิถิถิถิถิถิถิริถิถิรียิถิถิถิถิถิถาถิถิณะที่โสดา ป, ด ป, ปดถาิปญญปถิถิถิถิถิถิปิถญญิถิถิถิถิถิถิถิริถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิ า, าิถิถิถิถิถิถิถิถิริถิถิถิถิถิถิถิถาถิถิถิรินิถินิถิถิถิถิถิถิาิถิถิถิถิถิถิจิถิถิถิถิถิถิถิถิถิ อารยมรรคเหล่านี้เป็น เ, เป็นตัวที่กําจัดปฏิสนธิในอบายทั้งหมดกําจัดปฏิสนธิในภพที่แปดเป็นต้นไปเนี่ยนะมันเป็นการหลุดพ้นด้วยอํานาจของพระเสขะที่กําลังศึกษาอยู่ในเสขาสามศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้ก็สงเคราะห์เป็นอินทรียอินทรียเหล่านี้ก็นะก็ถือว่าเป็นวิชา เป็นวิชาใช่อินรี่ห้าที่ประชุมกันขึ้นก็ถือว่าเป็นวิชาถ้าวิชาเกิดขึ้นก็สํารอกอวิชาโดยไม่มีไม่มีส่วนเหลืออวิชาที่จะเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะสํารอกอวิชาที่ที่เป็นเหตุให้ทำกรรมนำปฏิสนธิในอบายทุกขติวินิบาตและนรกพันธาดับอวิชาที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายแล้วปฏิสนธิในอบายก็ไม่เกิดหรืออ วิชาที่เกิดขึ้นกรรมจัดกรรมที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในอบายเมื่อเมื่อไม่ปฏิสนธิในอบายนามรูปก็ไม่หยางลงถ้านามรูปไม่หยางลงอายตนะก็ไม่จะเติบโตเมื่ออายตนะไม่เติบโตก็ไม่มีผัสสะเมื่อไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีเวทนาจักมีตัณหามาแต่ไหนมันตัณหาในอบายจึงไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีเมื่อไม่มีอุปาทานก็ไม่มีพบเมื่อม่มีพบก็ไม่มี ชาติพันธ์ชารามรณะโสกกะปริเทวะทุกขโทมณตและอุปายาคกองทุกขในอบายทุกข์เป็นต้นถูกกําจัดไปโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะวิชาเกิดขึ้นวิชาคือโสดาปฏิมร์เกิดขึ้นมันก็กําจัดวัตตาที่ที่อ่ากำจัดสาเหตุของวัตตาที่ไหลไปในภพที่แปดเป็นต้นกําจัดสาเหตุของวัตตาที่นําไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะ ทีถ้าสกะถ้าวิชาเกิดขึ้นวิชาระดับสกะทาคามีมักเกิดขึ้นก็กําจัดกามราคา้าปฏิฆะย่างยาบที่นําไปสู่ภพที่สองเป็นต้นถ้านาคามีมักเกิดขึ้นก็กําจัดอวิชาที่นําเกิดในกามมาภพเป็นต้นท่านอินทรีห้าของพระเสขะตัวนี้เนี่ยนะเป็นการประชุมการเรียกว่าวิชาวิชาเกิดขึ้นก็สํารอกอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลืออวิชาที่ทําให้เกิดใน เว้น uh, เพราะวิชาที่ในอรหัตตมร์กล่าวไปแล้วใช่ก็วิชาที่อยู่ในระดับล่างๆ ล, ล, ล, ลงมาคืออนาคามิมร์สกะทากีมร์และโสดาปฏิมร์ก็กำจัดวัตตะเหล่านั้นไปอันนี้ก็เป็นการอย่างลงสู่ปฏิจจสมุปบาทวิชาความรู้เหล่านั้นเป็นปัญญาขันอันนี้เป็นการสงเคราะห์ด้วยขันนั้นความรู้นี่คือตัวปัญญาปัญญานี้เป็นขันวิชาตัวนั้นเนี่ยเป็นสังขารขัน แต่เป็นสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะปัญญาที่รู้พระนิพพานปัญญาที่เห็นอริยสัจปัญ bon er ปญาเหล่านั้นไม่เป็นอารมณ์ของกามาสวะปัญญาอันน <countries with S 1> <mor> ั้นไม่เป็นอารมณ์ของภวาสวะปัญญาอนั้นไม่เป็นอารมณ์ของทิฏฐาสวะปัญญาอนั้นไม่เป็นอารมณ์ของอาวิชชาสวะปัญญาอนั้นไม่ได้นำปฏิสนธิในภพใหม่เลย ก็แบ่งออกเป็นธรรมอาจายคามิโนธรรมมาอาปจจยคามิโนธรรมมาเนวาจายคามิโนนาปจายคามิโนธรรมมาเนี่ยนะอาจายคามิโนธรมมาก็คือธรรมที่สังสมกรรมและวัตตะธรรมที่สังสมวัตะเนี่ยนะก็คือธรรมที่ที่นำเกิดอะนะที่ก่อวัตตะตัวที่สังสมวัตตะตัวสภาวะธรรมที่ไม่สังสมวัตตะสภาวะธรรมที่สังสมวัตตะก็ไม่ใช่ไม่สังสมวตตะก็ไม่ใช่ ตัวที่สังสมวัตตะคืออะไรก็คือเจตนา29เจตนา29เป็นเจตนากรรมเพื่อสังสมวัตตะถ้าหากว่ามาัคซีมัคซีเนี่ยเป็นตัวที่ไม่สังสมวัตตะธรรมที่เหลือเป็นธรรมที่สังสมวัตตะก็ไม่ใช่ไม่สังสมวัตตะก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นปัญญาอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่สังสมวัตตะเมื่อไม่สังสมวัตตะปัญญาอันนี้ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ก็เป็นสังขารขันสังขารขันอันนี้ไม่เป็นเหตุแห่งพบใหม่สงเคราะห์เป็นธรรมธาตุนะนะด้วยธาตุทั้งหลายแล้วก็เป็นธรรมายตนะเป็นขันเอ่อเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสี่นะไม่เป็นเหตุแห่งพบอันนี้เป็นการสงเคราะห์ลงสู่ธาตุสงเคราะห์ลงอายตนะ สรุปว่าพระที่หลุดพ้นด้วยเสขวิมุติและอเสขวิมุติคือสรุปว่าคู่แห่งโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลคู่แห่งสก่าทาคามิมักสก่าทาคามิผลคู่แห่งอนาคามิมักอนาคามิผลคู่แห่งอรหัตตมักอรหัตตผลเรียกว่าผู้พ้นด้วยเสขวิมุติและอเสขวิมุติข้ามแล้วซึ่งโอคะสี่ที่ไม่เคยข้ามมาก่อนเลยเป็นการข้ามเพื่อประโยชน์แก่พระนิพพานอันเป็นที่ดับไม่มีการเกิดอีกต่อไป เป็นการข้ามอย่างโซดาปฏิมาคนี่นะข้ามอะไรข้ามเพื่อไม่ให้เกิดในทัวในครั้งหนึ่งไม่ให้เกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วก็ข้ามเพื่อไม่ให้เกิดในภพที่8สก่าทาคา ม, มีมักห้ามการเกิดในภพที่สองเป็นต้นอนาคา ม, มีมักห้ามการเกิดในภพไหนห้ามการเกิดในการมาพบทั้งหมดอรหัตตมักก็คือห้ามเกิดแม้กระทั่งในรูปประพบและอรูปประพบอันนี้เป็นการข้ามซึ่งโอคะทั้งหลาย โสดาปฏิมักเนี่ยข้ามสักข้า ม, ามทิถโขคะสกัทาคามีมักนัเสขวิมุตเนี่ยข้ามทิถโขคะอนาคามีมักข้ามกามโมคะอรหัตตมักข้ามพโวคะและอวิชโชคะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเสขวิมุติอเสขวิมุตเนี่แหละข้ามโอคะทั้ง4ประการเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอุดทางอโทก็คือสรุปว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะ ทั้งพระเสขะพระเสขะเนี่ยท่านปราศจากปัญหาในากามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างเพราะฉะนั้นท่านข้ามโอเคทั้งสี่ได้แล้วเพื่อประโยชน์แก่การไม่ปฏิสนธิในพบใหม่เป็นต้นเนนะเพื่อไม่ปฏิสนธิในวัตฏะโดยประการทั้งปวงอันนี้ท่านยกตัวอย่างวิธีสงเคราะห์ลงวิธีหยั่งลงขัน วิธีอย่างลงอายตนะวิธีอย่างลงธาตุตรงนี้ยกเมียมาสีสีส่ตัวอย่างไหมวิธียังลงอินทรีย์วิธีอย่างลงปฏิจจสมุปบาทวิธียังลงขันธาตุและอายตนะสงเคราะห์ห้าอย่างนะเอาใหมท่ทวในครั้งหนึ่งอินทรีสองปฏิจจสมุปบาทสขันสี่อายตนะสี่ธาตุห้า อายตนะไอการอย่างลงสู่ธรรมะหประการนี่แหละเรียกว่าโอตรณหาระพระมหากจจยนะก็ยกตัวอย่างพระสูต ใ, ในอุทานในอุทานที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนั่นแหละมามาสงเคราะห์โดยธรรมะหประการเหล่านี้ตอนเรียนอุทานเราก็ว่าลึกซึ้งเลยนะมเอาคัมภีร์อุทานมาขยายแบบเนติปกรจะรู้ว่าหลายท่านง่วงเลยก็ยังดีนะ เคยฝันว่าฟังธรรมบ้างไหมนั่นแหละตอนนี้ก็เหมือนกันมาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองพระพุทธเจ้าตรัสตรัสในคาถาจตุธานิพานสูตรจตุธานิพานนิพานสูตรในอุทานมีกี่มีกี่สูตรสี่สูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สี่นยกตัวอย่างมาจากสูตรที่สี่พระผู้มีพระภาคตรัสในข้อสี่สิามว่า ความวันไหวย่อมไม่มีแก่ผู้ความวันไหวย่อมมีแก่ผู้อาศัยความไม่หวันไหวย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่อาศัยเมื่อไม่มีความหวันไหวก็มีความสงบเมื่อมีความสมบก็ไม่มีการน้อมไปเมื่อไม่มีการน้อมไปก็ไม่มีการไปจากภพหนึ่งสู่อีกภพหนึ่งเมื่อไม่มีการจากภพหนึ่งสู่อีกภพหนึ่งก็ไม่มีการเกิดขึ้นต่อต่อไป และความดับและความดับเมื่อไม่มีการความดับตัวนั้นคือจุติเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการจุติต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดไม่มีการจุติต่อๆไปโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีระหว่างโลกทั้งสองคืออื่นจากโลกทั้งสองนั้นก็ไม่มีความไม่มีแห่งโลกทั้งหมดเนี่ยนะคือความไม่มีแห่งโลกคืออุปาทานขันท่านี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะเป็นที่สุดแห่งทุก เรามาดูทบทวนว่าผู้หวั่นไหวย่อมย่อมมีเอ่เอทวนขอโทษอ่านผิดแล้วความหวั่นไหวย่อมมีแก่ผู้อาศัยคนที่ยังอาศัยอยู่นี่ยังหวั่นไหวอาศัยอะไรอาศัยมีสองอย่างอาศัยตันหากับอาศัยทิฏฐิเรียกว่าถ้ายังอาศัยถ้ายังถือนิสัยถือนิสัยตันหาถือนิสัยทิฏฐิอยู่นะยังไงก็ต้องหวั่นไหว ตันหาเป็นเหตุให้วันไหวทิฏฐิก็เป็นเหตุให้วันไหวเพราันธ์ก็วันไหวด้วยตันหาและทิฏฐิคือคนถ้าสมมุตินะถ้าชอบอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ยนะใจจะวันไหวจากสิ่งนั้นไหมวันไหวอยู่แล้วเพรันธ์ถ้าด้วยอํานาจของตันหาก็เป็นเหตุให้ใจวันไหวบางแห่งเนี่ยไม่ใช่แปลแค่วันไหวนะแปลว่าสะดุ้งเลยปริตตะสะเนี่ยนะสะดุ้งเลยจริงๆอินะนะเพราะว่าถ้าได้ข่าวว่าอะไรนะในพระสูตรหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสกับนายบ้านนายบ้านเขานี่ยเขามีลูกชายอันเป็นที่รักอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าฟังข่าวว่าลูกชายอันเป็นที่รักเกิดอะไรขึ้นในน้ถามอะไรจะเกิดขึ้นสะดุ้งไหมฟังแล้วก็สะดุ้งอยู่แล้วเพราะว่ามีสิ่งที่เป็นที่รักเพราะฉั้ญหาเนี่ยนะเป็นเหตุให้สะดุ้งตรงนี้ก็ยกว่าหวั่นไหวก็แล้วกันว่าตัญหานี้เป็นเหตุให้หวั่นไหวทิฏฐิก็เป็นเหตุให้เกิดความหวั่นไหวเพนั้นความหวั่นไหวก็เกิดจากตัญหาและ ทิฏฐิหรือเกิดจากการอาศัยตัณหาและทิฏฐินั่นเองเจตนาของผู้กำหนัดอย่างแรงกล้าชื่อว่าตัณหานิสัยเจตนาของผู้หลงอย่างยิ่งเป็นทิฏฐินิสัยเขบอกว่าเจตนานี้เป็นประธานของความกำหนัดใครที่มีเจตนาที่เป็นหัวหน้าแห่งความกำหนัดเรียกว่าตัณหานิสัยเจตนาของผู้ลุ่มหลงความโง่เขลาอย่างยิ่งก็เป็นไปกับทิฏฐินิสัย มิจฉาทิฏฐิกับความโง่เขลาเนี่ยมันอยู่กลุ่มเดียวกันนะอยู่ประเภทเดียวกันอยู่เส้นสายเดียวกันเจตนานั้นแหละเป็นเครื่องปรุงแต่งเจตนาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดเจตนาเนี่ยเจตนาของผู้กำหนัดกับเจตนาของผู้ลุ่มหลงเจตนาเหล่านั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าสังขารสังขารก็ย่อมเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่ สลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพภพเป็นปัจจัยแก่ชาติชาติเป็นปัจจัยแก่ชาร ham, so. ามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและ arna, อุปาญาต์มันเจตนาที่เกิดร่วมกับตัณหาอย่าคิดนะว่าไม่นำมาซึ่งชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตในที่สุด เจตนาที่เกิดร่วมกับอวิชาก็อยากคิดนะว่าไม่นํามาซึ่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเป็นปัจจัยเนี่ย ก, ก, ก็เกิดเจตนาขึ้นหรือเจตนาเป็นปัจจัยให้เกิดตันหาเจตนานั้นเป็นสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณวัตถะพยาอย่างนี้เจตนาทั้งเกิดร่วมกับตันหาหรือเกิดร่วมกับอวิชาก็ตามในที่สุดก็นํามาซึ่ง ชาติชรามรณาโสกกาปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาตการสงเคราะห์ลงอย่างนี้ได้เรียกว่าปฏิจจสมุปปาโทตรณนะเนี่ยนะการสงอาการอย่างลงสู่ปฏิจจสมุปบาทเพราะเวลาพูดถึงตัณหานิสยัยทิฏฐินิสยัยปั๊บคำนี้ต้องอย่างลงปฏิจจสมุปบาทให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่วันไหวอ ย, อยู่เนี่ยผู้ที่ยังวันไหวก็แสดงว่าผู้นั้นยังมีตัณหามีอวิชชาเพราะอาวิชชาเนี่ยเป็นเครื่องอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นตัณหาเป็น สังโยน์ตันอวิชาเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐิเป็นต้นเนยนะกระแสของวัตตะก็มีแต่ยาวมีแต่ยืดไม่มีจบมีสิน้นการการที่ฟังสายาฟังแล้วหยั่งลงอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุบาติถ้าพูดถึงปฏิจจสมุบาติสายวัตตะก็เท่ากับกล่าวทุกขสัตว์กับสมุทยัยสัจจะโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้ว บรรดาบุคคลผู้กำหนัดอย่างแรงและก็ลุ่มหลงอย่างยิ่งเหล่านั้นนะนะกำหนัดก็แรงมากลุ่มหลงก็อย่างยิ่งแรงไม่แรงก็ฉุดไม่ออกกันลวกันนะนะพันเวทนาของบุคคล น, นั้นเนี่ยนะบุคคลที่เต็มไปด้วยความกำหนัดอย่างแรงเป็นสุ ข, ขเวทนาเวทนาของบุคคลผู้ลุ่มหลงอย่างยิ่งก็เป็นอทุค ข, ขมสุ ข, ขเวทนาคืออุเบกขาเวทนานะเพราะอะไรเพราะว่าความสุข การมาราคาเนี่ยนะการมราคาเนี่ยนะาานยนะถือว่ากลัดกลุ่มอยู่กับกับสุขเวทนาสุขายะเวทนายะราโคอนุเสติเนี่ยนะกวาการมราคานุสยัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาสุขเวทนาเนี่ยประกาศถึงว่าผู้นั้นนะ่ะตันหาแรงกล้าแต่ถ้าเป็นพวกอุเวขาเวทนาก็ลุ่มหลงปเป็นอย่างยิ่ ง, งนะอเวคาเนี่ยปกติเวลาเรา เวลาเราที่เรานึกอะไรไม่ออกส่วนใหญ่จะเฉยเฉยใช่ไหมนั่งแบบที่เรียกว่าซึมซึมเฉยๆยนั่งเฉยเยง่วงนิดนิดด้วยนี่ไปกันใหญ่เลยใช่อะนนะซึมซึมเฉยเยไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นแล้วก็ซึมนิดนิดรีลงรีลงอันนีนะ้อันนั้นแหละว่าวิชาทํางานขยันมากเนี่ยนะนะวิชาทํากิจเต็มที่เลยแหละมันอันนี้ก็เรียกว่าสงเคราะห์ด้วยขันนะนะว่า สุขเวทนาเกิดร่วมกับโดยมากสุขเวทนาเกิดร่วมกับตัญหาอุเบกขาเวทนาโดยมากเกิดร่วมกับอวิชชาบ้นท่ากล่าวตันหากับกล่าวอาวิชชาเท่ากับกล่าวเวทนาขันบอกได้เลยว่าถ้าตัญหาสุขเวทนาถ้าอาวิชชาอุเบกข า, า, นะาเวทนานก็กล่าวโดยขันเนี่ยสบายถ้ากล่าวสุขเวทนาได้อินรียสองคือสุขขินรี่กับ โสมนสินสีถ้ากล่าวทุกขมสุขเวทนาคืออุเบกขาก็คืออุเปกขินรีเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เท่ากับกล่าวอินรีย์เรียบร้อยแล้วคือกล่าวอินรีสามคือสุขขินรีโสมนสินสีและอุเบกขินรียอินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยนะในอินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยนับเป็นสังขารทำไมนับเป็นสังขาร น, นะทำไมนับเป็น เวทนาสังขารตัวนี้แปลว่าสังขารธรรม น, นะนะเป็นสังขารธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วก็เป็นเหตุแห่งพบใหม่แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยอวิชากับตันหาเนี่ยนะนับเนื่องเป็นสังขารขันที่จริงน่าจะบอกว่าในบรรดาความกำหนัดและความลุ่มหลงเหล่านั้นนะ ตัวความกำหนัดกับตัวความรุ่มหลงเนี่ยนับเนื่องเป็นสังขารสังขารเหล่าใดเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเหตุของพบใหม่สังขารเหล่านั้นเนี่ยนะคืออวิชชาตันหาหรือเจตนาเหล่านั้นสงเคราะห์เป็นธรรมธาตุอันนี้นี้เป็นการสงเคราะห์โดยธาตุธรรมธาตุนั่นแหละเป็นธรรมายตนะอายตนะเหล่าใดเป็นอารมณ์ของอาสวะนะเป็นเหตุแห่งพบอันนี้เป็นการอย่างลงสู่อายตนะ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะบอกผู้อาศัยผู้ยังมีผู้ยังอาศัยด้วยตัณหาและด้วยทิฐิย่อมวันไหวถ้ากล่าวอย่างนี้นะเจตนาที่เกิดร่วมกับตัณหาและอวิชชาเจตนาเหล่านั้นก็ เ, เรียกว่าสังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปจะหล่อจึงไหลไปสู่สังสารวัตทั้งหมดอันนี้เป็นการยังลงโดยปฏิจจสมุปบาท เวทนาที่เกิดร่วมกับตัณหาเกิดร่วมกับทิฐิอวิชชาเหล่านั้นเป็นเป็นสงเคราะห์โดยขันนะเวทนาเหล่านั้นอ่ะแจกออกมาก็เป็นอินซีนี่เรียกาเรียกเป็นการยังลงโดย in see. อินรีอินอ่ะนะอวิชชากับตัณหาเนี่ยนับเป็นสังขารขันสังขารเหล่านั้นก็นับเป็นธรรมธาตุสงเคราะห์เป็นธรรมธาตุธาตุเหล่านั้นก็เป็นอายตนะเป็น ธรรมายตนะพันการสงเคราะห์ว่าผู้อาศัยตันหาและทิฏฐิย่อมบันไหวก็สามารถที่จะประมวลหรื อ, อยังลงยังลงสู่ปฏิจจสมุปบาทยังลงสู่ขันาธาตุอายตนะและอินทรีย์ได้อย่างสบายเนี่ยนะอันนี้สายวัตตะเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าใช้คําเดียวนะบอกผู้ยังอาศัยอยู่ย่อมวันไหวเนี่ยเท่ากล่าวทุกกษัตริย์กับสมุทัยษัตร์กล่าวสังสารวัฏอย่างสมบูรณ์แล้ว ถ้าเข้าใจในยะหน่อยเเข้าใจหาระหน่อยนะฟังข่าว่าความวันไหวย่อมมีแก่ผู้อาศัยประฟังออกตลอดสายแล้วน่นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป